มาดูพิจารณาธาตุที่ที่ค่อนข้างเข้าใจยากก็คือเตโชธาตุกับวาโยธาตุซึ่งเตโชธาตุมีอยู่4ประการด้วยกันเตโชธาตุสประการเนี่ยนั้นตัวในครั้งนั้นหนึ่งธาตุไฟที่ทําให้ร่างกายอบอุ่นธาตุไฟที่ธาตุไฟที่ทําให้ร่างกายแก่ชราธาตุไฟที่ทําให้ป่วยไข้แล้วก็ธาตุไฟที่อะไร ย่อยอาหารเนี่ยนะช่วยย่อยธาตุไฟที่ที่ทำให้ย่อยเนี่ยนะที่ทําวัตถุทั้งหลายให้ย่อยออกไปเนี่ยมีสมุดฐานเดียวคือเกิดจากกรรมเป็นสมุดฐานอะไรก็ตามที่มีกรรมเป็นสมุดฐานสิ่งนั้นจะต้องบวกด้วยชีวิตเข้าไปด้วยอันนึงเนี่ยนะเพราะกรรมเนี่ยสร้างชีวิตรูปให้เกิดขึ้นแล้วชีวิตรูปเป็นตัวมารักษารูปเหล่านั้นเหมือนอย่างว่า พระราชาเนี่ยนะส่งทหารไปรบนะนะสมว่าส่งไป8คนให้อีกคนหนึ่งไปรักษาไปรักษาให้พวกนักรบแต่ที่ไปด้วยกันนะก็คือถูกส่งไปทั้งคู่ฉันใดชีวิตรูปเกิดพร้อมกับรูปทั้ง8รูปแต่ชีวิตรูปเป็นตัวรักษารูปเหล่านั้นฉั น, นั้นส่วนไล่ไปที่ธาตุลมนะลมหายใจเข้าลมหายใจออกมีทั้งหมด9รูป มีจิตเป็นสมุทฐานนี้บวกรูปที่เก้าคืออะไร<ม>คือเสียงรันการหายใจเข้าหายใจออกนี่มีเสียงอยู่ด้วยใช่ไหมถ้ายิ่งแบบสภาพจิตหยาบรุนแรงเสียงหายใจจะดังมากเลยนะฟึดฟัดฟึด ฟ, ฟอย่างนี้แหละนะถ้าที่ใดมีเสียงต้นต่อของเสียงก็มีรูปแปดรูปอยู่แล้วอวินิโพคก็รูปแปดต้องอยู่ที่นั่นอยู่แล้วส่วนอีกแปดที่เหลืออีกแปดที่เหลือแปดส่วนที่เหลือมีอะไรบ้าง ก็เว้นจากธาตุไฟที่ย่อยอาหารเว้นจากลมหายใจเข้าหายใจออกทั้งหมดเหล่านั้นเนี่ยนะมีรูปอย่างละสี่สมุดฐานมีรูปสี่สมุดฐานมีอะไรบ้างก็มีกรรมเป็นสมุดฐานที่นั่นไม่มีภาษาทรูปจึงมีเฉพาะอะไรมีเฉพาะชีวิตแต่รูปก็เลยเป็นชีวิตนวะกะแปลว่ารูปเก้ากลุ่มรูป9้ารูปมีชีวิตเป็นที่9้า รูปมีชีวิตเป็นที่9ก็คือวินิโพคครูป8ดบวกชีวิตรูปอีกหนึ่งถ้าใครฟังแล้วก็ไม่ค่อยเข้าใจมากนะไม่เป็นไรก็ไปดูปริเชตดูปริเชตหกนะเรื่องรูปกลาบรูปกลุ่มส่วนรูปที่เหลือก็นะครับวินิโพคครูป8ดที่เกิดจากจิตอวินิโพคครูป8ที่เกิดจากอุตุรูปอวินิโพคครูป8ที่เกิดจากอาหารพันพวก ลมพัดขึ้นเบื้องบนลมพัดลงเบื้องล่างลมในช่องท้องลมในลําไส้ลมพัดทั่วสารพางกายเนี่ยนะลมพวกนี้มีสมุทฐานสี่นะมีสมุทฐานสี่ทั้งเกิดจากกตามเกิดจากจิตเกิดจากโอโตและก็เกิดจากอาหารเมื่อภูตรูปและอุปาทายรูปเหล่านี้ปรากฏคือเกิดโดยเกี่ยวกับอาการสี่สิบสองโดยพิสดารอย่างนี้แล้วหมายความว่าพิจารณาแล้วก็เห็นรูป 42 42เนี่ยนะคูณภูตรูปและอุปาทายรูปก็มาไล่ว่าแต่ละอย่างเนี่ยเช่นผมมีภูตรูปเท่าไหร่มีอุปาทายรูปเท่าไหร่ขนเนี่ยมีภูตรูปเท่าไหร่มีอุปาทายรูปเท่าไหร่เล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกเยื่อในกระดูกไตหัวใจตับพังผืดไล่อย่างเงี้ยไปเรื่อยแล้วมาดูว่าแต่ละส่วนแต่ละส่วนมีภูตรูปและอุปาทายรูปอย่างไรภูตรูปมีแน่นอนอยู่แล้วใช่ไหม ภูตรูปมีแน่นอนอยู่แล้วเพราะฉะนั้นถ้านับรวมในสรีระนี้นับแล้วไม่นับอีกทุกคนมีประมาณ27รูปแต่เมื่อค้นไปแต่ละจุดแต่ละจุดไม่ใช่ครบ28ทั้ง27ทั้งหมดนะในส่วนของตาเนี่ยค้นคว้าไปแล้วได้สิบกว่าในส่วนของหูค้นแล้วได้สิบกว่าในส่วนของตาเนี่ยนะมีสิบกว่ามีอะไรบ้างตรงลูกตาของเราเลยนะคือหนึ่ง อวินิพก อ, ร, อรูป8ดก่อนหรือหมหาภูตรูป4ี่สีกลิ่นรสโอชาเป็น8ดบวกชีวิตอีกหนึ่งเป็น9บวกภาวะอีกหนึ่งเป็นสิบบวกกายอีกหนึ่งเป็นสิบอดบวกภาวะอีกหนึ่งเป็นนับแล้วใช่ไหมจากขปัสสาดอีกหนึ่งก็อันนี้นับแบบไม่นับซ้ำะนะนับแบบไม่นับซ้าก็มีอยู่เท่านี้ แล้วก็ไล่เจาะเจาะไล่แต่ละแต่ละตำแหน่งแต่ละตาแหน่งแต่ละตาแหน่งแต่ถ้าพูดโดยสรุปรวมแล้วในร่างกายมีรูปแค่อ่ะนะประมาณยี่สิบเจ็ดรูปเนี่ยนะประมาณยี่ิบ็ดรูปเพราะบางคนที่ไม่มีเพศก็มีแค่ยี่สิบหกรูปทีนี้รูปเหล่านั้นก็มาพิจารณารูปที่เด่นๆรูปที่เด่นๆคืออะไรกลม่มภาษาทรูปเพราะภาษาทรูปเหล่านี้เกิดจากกรรมเช่นจักรคู่ภาษาทะก็เกิดจากกรรม โตสตภาษาทะเกิดจากกรรมคานาภาษาทะเกิดจากกรรมชิวหาภาษาทะก็เกิดจากกรรมกายภาษาทะก็เกิดจากกรรมแล้วก็หัตยาวัตถุก็เกิดจากกรรมก็มีรูปที่เป็นวัตถุอยู่หรูปเนี่ยนะคำว่าวัตถุในที่นี้แปลว่าที่เกิดของจิตและเจตสิกที่เกิดของจิตเจตสิกเรียกว่าวัตถุ หรือที่ตั้งแห่งจิตและเจตสิกก็ได้ที่อาศัยเกิดนเนี่ยนะเช่นตาจากักขูประสาธะเป็นที่อาศัยเกิดของจกักขูวิญญาณสองโสตประสาธะเป็นที่อาศัยเกิดของโสตวิญญาณจิตสองคานะประสาธะเป็นที่อาศัยเกิดของคานาปัสคานาวิญญาณจิตสองชิวหาประสาธะเป็นที่อาศัยเกิดของ ชิวาวิญญาณอีกสองกายยะภาษาทาเป็นที่อาศัยเกิดของกายยะวิญญาณสองส่วนหัตถยะวัตถุเนี่ยนะเป็นที่อาศัยเกิดของจิตที่เหลือเป็นที่อาศัยเกิดของจิตที่เหลือจิตที่เหลือมีอะไรบ้างก็คิดง่ายๆว่ามโนธาสามแล้วก็ที่เหลือก็เป็นมโนวิญญาณธาต วิธีคิดอีกในหนึ่งเนี่ยะท่านบอกว่าให้พิจารณาโดยวัตถุและโดยทวารวัตถุกับทวารต่างกันหรือไม่วัตถุนี่แปลว่าที่อาศัยเกิดของจิตถ้าทวารเป็นที่ไหลเข้าไหลออกของจิตเช่นทางตานะจากขู่ภาษาท่าเนี่ยเป็นวัตถุเพราะเป็นที่อาศัยเกิดของ จกักขูวิญญาณจิตจกักขูภาษาทเหล่านี้เป็นทวารเพราะเป็นที่ไหลเข้าไหลออกของจิตเจตสิกอะไรบ้างก็จกักขูทวารวิถีจิตทั้งหมดนะนะจกักขูทวารวิถีจิตจิตที่ไหลผ่านทวารตามีอะไรบ้างหนึ่งจกักขูทวาราวชนะสองจกักขูวิญญาณสาสัมปติชนะ แบ่งเป็นสองดวงสต่อไปสันติรณะกี่ดวงสันติรณะก็สามดวงแล้วก็โวทัพนะหรือมโนทวาราวัชนะแล้วก็ชาวนะชาวนะที่เกิดทางจักรคุทวานได้อะไรบ้างอกุศลจิต12มหากุศลจิต8ดมหากิริยาจิต8นแล้วก็เป็นที่อาศัยไหลของตทารมนะอีก11ดวงเนี่ยนะเพราะนั้นะจกักรคุระษาทา ต, ตัวเดียวเนี่ยนะ เป็นที่ไหลเข้าไหลออกของจิตเจตสิกเยอะเนี่ยนะเนยอะก็ค่อยว่าทีละทวานไปค่อยคิดทีละทวานเมื่อเราเห็นปั๊บเนี่ยนะความรู้สึกนึกคิดใดๆเกิดขึ้นบ้างเมื่อตาเห็นอ น, นความรู้สึกนึกคิดที่ไหลไปทวารตาอย่างนี้แหละเรียกว่าจักรู่ทวารแต่ถ้าจากักรคูวัตถุก็เพียงคิดแคบๆว่าเป็นที่อาศัยเกิดของจกักรูวิญ ญ, ญาณ ถ้ามองว่าเป็นจักรูทวารก็จิตเจตสิกไหลไปไหลทวานตาบ้างนะนะจักรูทวานทวานก็คิดง่ายๆว่าประตูเป็นที่เข้าที่ออกฉันใดตาเป็นประตูที่เข้าออกของจิตเจตสิกหูเป็นที่ไหลเข้าไหลออกของจิตเจตสิกจมูกก็เป็นที่ไหลเข้าไหลออกของจิตเจตสิกเลนก็เป็นที่ไหลเข้าไหลออกของจิตเจตสิกกายก็เป็นที่ไหลเข้าไหลออกของจิตเจตสิกมโน ตัวมันผวังอ่ะนะก็เป็นที่ไหลเข้าไหลออกแห่งจิตและเจตสิกไอ้ไหลเข้านี่คือจักขคู่ทวารวิถีไอ้ไหลออกคืออะไรรู้ไหมท่านบอกว่าตันหามทะลักมาทวารตาไอ้ไหลออกทั่วไปนะท่านอธิบายเป็นตันหาถ้าไหลเข้าคือจิตเจตสิกที่มันเกิดขึ้นเพราะตันหานะเวลามันไหลออกที่จะดูนะมันก็อันเนี้ยอาศัยประสาสัมผัสคืออาศัยสัมผัสทางตาหูเนี่ยเพื่อจะได้ชื่นชมโลกเนี่ยนะ ตัณหาเนี่ยมันเป็นลักษณะอย่างคือมันหิวอ่ะนะมันหิวมันอยากจะดูมันอยากจะฟังมันอยากจะรู้กลิ่นมันอยากจะลิ้มรสมันอยากจะรับผลิภัพฑ์มันอยากจะรับกระทบมันอยากจะไปเรื่อยมันต้องการว่าไหลตัณหาเนี่ยไหลออกตามทวารต่างๆรับรู้อารมณ์ต่างๆเฉยชิดกับอารมณ์ต่างๆอันนี้นามธรรมเหล่านี้ก็ไหลเข้าไหลออกอย่างนี้ พระโยคาวจรกระทำรูปเหล่านั้นแม้ทุกรูปให้เป็นอย่างเดียวกันโดยลักษณะที่ย่อยยับรูปทั้งหมดที่กล่าวไปแล้วนะรูปส0่ศิษธาตุสจําแนกโดยส่วนได้4ี่สิบสองส่วนแล้วธาตุ4ี่สี่สิบสองส่วนเหล่านี้รวมแห่งภูต ร, รูปและอุปาทายรูปรูปทั้งหมดเหล่านี้มีลักษณะเดียวกันคือสลายไปสลายไปเพราะอะไรเพราะ วิโรที่ปัจใจหนาวเกินไปก็ตายร้อนเกินไปก็ตายนห็น อ, อะไรอีกสัมผัสที่เกิดจากเหลือบยุงลมแดดก็เป็นเหตุแห่งความตายปีนี้เขารณรงค์อะไรนะไข้เลือดออกนะยุงลายเรืออะไรยุงลายไข้เลือดออกเนี่ยนะบอกโอ้ตายเป็นหมื่นเลยมันทั่วประเทศนะถ้าทั่วโลกจะตายขนาดไหนยุงกัดนะี่อย่าไปคิดว่ามันเล็กน้อยเหมือนกันนะมันก็เรื่องใหญ่เรื่องโตมันเรื่องหนึ่งเลยเพราะยุงเนี่ยนามาซึ่งไข้เลือดออกไข้ามาลาเรียมั้นอย่าไปคิดว่าสัมผัสจาก สัตว์เล็กๆเหลือบยุงเนี่ยนะพวกลุงจะไม่มีพิษมีภัยอะไรถ้าเหลือบบางตัวน ะ, ะบางคนที่ถูกเหลือบกัดเนี่ยมันป่วยไปตั้งหลายวันเหมือนกันนะลมลมก็เป็นเหตุให้ป่วยแดดก็เป็นเหตุทำให้ตายะนะทุกอย่างก็เป็นปัจจัยให้แก่ความแก่และความตายมันโดยสรุปรูปเนี่ยนะพูดอย่างหนึ่ ง, งรูปเนี่ยมันแปลว่าแตกสลายนะใครที่คิดจะฆ่าคนอื่นไม่ต้องคิดอะไรมากเราไม่ฆ่าเขาก็ตาย เช่ขณะรักษาให้จะดูแลอย่างดีก็ยังกระตายเนี่ยนะก็เพราะธรรมชาติของรูปเขาเป็นอย่างนี้แหละเขามีลักษณะที่สลายไปเนี่ยนะสิ่งเหล่านี้สลายไปเราจะได้ดูอีกนานแค่ไหนเนาะจะได้ฟังอีกนานแค่ไหนเนาะเพราะสิ่งเหล่านี้เป็นธรรมชาติที่สลายเพราะเขาเรียกว่ารูปรูปธรรมชาติที่สลายแล้วนามล่ะนามมาทำทั้งหลายย่อมเป็นอันปรากฏโดยเกี่ยวกับทวาร กับทวารว่านามเนี่ยทะลักไหลเข้าไหลออกทางจากักขคูทวารทางโสตทวารทางคานาะทวารทางชิวหาทวารทางกายาทวารและทางมโนทวาร น, นามเหล่านี้มีอะไรบ้างแหะก็คือโลกิยะจิต7 1็เอ่อแปนะโลกิยะจิตทั้งหมดมี8ปอของเรามีกี่ดวงของเรานะสันโดรเรื่องจิตมากเลยนะเรามีไม่กี่ดวงนะ แปสิบเอ็ดก็จริงแต่มีอยู่คนแล้ไม่เท่าไหระนะโดยสภาว่ามีอยู่มีอกุศลสิบสองอเหตุกะมีอยู่สิบเจ็ดอรหัสิตุปาถ้าเอาออกไปใช่มอันนะี้มากุศลแปดมาวิบากแปดมากิริยาก็ที่เหลือนะแทบไม่มีเลยก็มีอยู่เท่าเนี้ยอกุศลสิบสองอเหตุกะสิบเจ็ดแล้วก็มากุศลแปดมาวิบากแปด ไม่อยู่เท่านี้แหละบางคนนะโอ้ยเพียรแทบตายได้ปฐมฌานเพิ่มมาดวงหนึ่งบางคนเพียรแทบตายได้ทุติยฌานเพิ่มมาทีละดวงแบ่ที่เหลือค่อยๆขยับขึ้นขยับขึ้นขยับขึ้นนะไม่ใช่ว่าพวกพวกระดับฌานไปแล้วจะได้กันง่ายๆเพราะฉะนั้นเราทั้งหลายเนี่ยในกา ม, มาวาจรสจิตห้าสิบสี่เนี่ยลบออกเก้าทันทีเลยมากิริยาเราไม่มีกันด่นนะแล้วก็หัตสิตุ ป, ปาทาก็ ไม่มีก็ถ้ามาแบ่งตามนี้นะอกุศลเอาไปครองใช่ไหมเยอะกว่าเพื่อน <c oughs> อันอากุศลก็เกิดเยอะทีนี้ก็มาไล่ดูว่าแต่ละทวารเนี่ยเช่นลืมตาเห็นปั๊บเนี่ยอกุศลละสิบสองเกิดได้ไหม <c oughs> ก็อย่างที่กล่าวว่ากล่าวทวนซ้ําอีกครั้งหนึ่งว่า <c oughs> เมื่อเห็นปั๊บจากขู่ทวาราวัชณนะ <c oughs> ก็อาวัชนะที่จะเห็นสีอาวัชนะถึงสีจากขูวิญญาณก็ ทำทศนกิจเห็นสีสัมปติชนะรับอารมณ์ต่อจากจากักรวิญญาณสันทิรณะไต่สวนโธทพนะก็ตัดสินชาวนะก็โดยมากก็คิดกันง่ายๆว่าถ้าอารมณ์เป็นอิทธารมโลภะอารมณ์เป็นอนิถารมโทสะอารมณ์ทั่วๆไปก็โมหะไปอีกน้อยนะักก็ถามจริงๆค่ะที่นั่งเนี่ยบางคนเนี่ยเคยคิดจะให้ไหมอย่างเงี้ยนะ เคยคิดจะหยิบยื่นมาหาผู้แจกแจกแจกแจกออกไปบ้างเนี่ยมีแค่ไหนอันนั้นเป็นทานสองปรารบ ถ, ถึงกุศลศีลแค่ไหนล่ะอันนั้นปรารบสมถาวิปัสนาแค่ไหนนั่นแหละมหากุศลจะเกิดทางแต่ละทวารได้ก็ด้วยอาการอย่างนี้พรันกุศลเนี่ยนะพระพุทธเจ้าตรัสว่าเกิดจากการสมาทานเกิดจากการสมาทานขึ้นนะไม่ใช่ว่าอยู่ๆแล้วปล่อยให้มันคอยเดี๋ยวมันก็เกิดเอง มันเกิดด้วยเหตุด้วยปัจจัยเดี๋ยวมันอยากเกิดมันก็เกิดอย่างนี้หรือเปล่าคำพูดที่เกี่ยวกับกุศลธรรมเนี่ยเขาจะไม่มีคําพูดประเภทนี้หรอกจะมีแต่บอกจงรีบจงเร่งจงภาคเพียรจงพยายามนะจงขวนขวายในพระพุทธศาสนาก็คือพุทธศาสนาตัวพุทธศาสนาก็คือทานศีลเนคขมะปัญญาหรือว่าศีลสมาธิและ ปัญญาสิ่งเหล่านี้คือพระพุทธศาสนาทีนี้เมื่อเห็นเมื่อได้ยินเป็นต้นคิดยังไงให้เป็นไปกับกุศลธรรมเหล่านี้ปกติมันไม่มีหรอกน้อยนักแหล่อันนี้ต้องเพียนคิดขึ้นเพียงขึ้นให้เป็นเป็นทานเป็นศีลเป็นสมถะเป็นวิปัสสนาถ้าใครที่เพียรให้เป็นศีเป็นทานนะั้ยังคิดจะยากเลยนะคิดง่ายๆว่าวคิดจะคลายทานออกไปถ้าคลายยาก ศีลจะได้หรือที่บางคนยังรักษาศีลได้เพราะไม่มีปัจจัยนะอาหารก็มีอยู่สตังค์จะซื้อก็มีอยู่เดินผ่านก็มีอยู่คนชวนก็มีอยู่แล้วไม่กินข้าวเย็นได้เก่งมากเก่งๆการรัก็ชวนเป็นไงบ้างโบสถในวันนี้วันโบสถเนี่ยนะแขกก็มีอยู่ใช่ไหมอาหารก็มีอยู่คนชวนก็มีอยู่อคิดหนักกันนะว่าจะเอายาศีลหรือเอาอาหารดีนะวันนี้นะ ่บางคนบอกว่ากินไปเหอะไม่รู้งั้นกมบทสักข้อนี่เนะี่ยเอาได้ช่องแล้วนะดถ้าคิดอย่างนั้นครั้งเดียวนะครั้งต่อไปสบายมากถ้ามีคนคิดแบบนี้นะเชื่อถ้าคิดแบบนี้นานๆเข้าไม่เอาและอาหารไม่เอาแล้ะสินสบายหมดเลยแต่บางคนก็รักศินจริงๆนะจะมันจะอร่อยขนาดไหนก็ไม่กินนะ่ะเพราะว่าหวงศีนมากทนุถนอมมากกว่าจะรักษาได้เลยนะตลอดชีวิตเรามาในวันอุโบสถมีกี่ครั้ง วันอุโบสถมีกี่วันเดือนละประมาณสี่วันใช่ไหมอุโบสถเนี่ยนะตรงๆเลยเดือนประมาณสี่วันนี่ถ้าเราเกิดมาร้อยปีเนี่ยเราจะได้อุโบสถกี่วันแล้วผ่านไปแล้วกี่วันแล้วยังได้รักษาอีกเหลือกี่วันจะรู้ว่าโ้โหมีไม่เท่าไร่เองนะก็ขาดกระุ่งกระริ่ ง, งเต็มทีนี่มันก็ไม่ไหวเหมือนกันนะมีโอกาสอุโบสถอยู่ไม่เท่าไรรักษาอยู่ได้ไม่กี่วันนะก็น่าเสียดายมากมันก็ต้องหมันสมาทานให้เป็น เป็นกุศลศีลอันนี้เป็นทรัพย์ของเรานะนะเป็นทรัพย์ของเรารักษาให้ดีเพียพยายามให้ดีนะเรื่องต่อไปแล้วสมถะล่ะสมถะนะคือการพิจารณาเรื่องนา ม, มาธรรมเนี่ยเออนี่นามนี่นามเออนี่นามชนิดนี้นี่นามชนิดนี้ไม่ใช่เขาพิจารณาแค่นั้นหรอกเพราะคนที่จะร่วงร่วงพ้นจากวัตถุทุกเนี่ยนะเขาเรียนรู้นามธรรมเนี่ยโดยเฉพออาะอกุศลเนี่ยต้อง เออเนี่ยฉันจะวิจัยฉันจะทําปริญญาเรื่องอากุสลนะไปหาอารมณ์สวยๆทําให้โลภะมันเกิดก่อนเขาลงทุนขนาดนั้นไหมเนี่ยนะโอ้ยฉันอยากจะศึกษาเรื่องโรคเอดส์นะเดี๋ยวฉันไปเป็นเอดส์ก่อนโอ้ยใครจะขนาดทําขนาดนั้นไม่มีรอกกันนะอุย้ยอยากรู้จริงๆว่ามะเร็งตับมันเป็นยังไงเดี๋ยวเอาฉีดเชื่อมะเร็งเข้าไปในตับเลยจะได้ศึกษาเรียนรู้ด้วยตัวเองนี่ยนะโอ้ยไม่มีใครก้งเง่าขนาดนั้นหรอกภาษาเหนือนะย นี่ก็เหมือนการการพิจารณาสิ่งเหล่านี้เขาพิจารณาด้วยปัญญาพิจารณาด้วยสติสัมปชัญญะพิจารณาด้วยหิเรโอตั ป, ปะเป็นบาตรฐานในการพิจารณาเพราะฉะนั้นคนที่พิจารณาเนี่ยนะอย่างคนที่บริจาคทานเนี่ยให้ทานมากแล้วเขารู้ได้แต่ในโลกของอกุศลเนี่ยนะหลายๆเรื่องคนอื่นทาให้ดูก็เพียงพอแล้วเพียงพอจริงๆเนี่ยนะสมมติเขาทาบาปให้เราดูเราต้องลาเป็นต้องทาเอง ไปขอแบ่งกับเขามาไหมไม่จําเป็นอะไรเลยก็เพราะปัญญาธรรมชาติของปัญญาคือการพิจารณาการพิจารณาการพิจารณาเหล่านี้พิจารณาให้กุศลเกิดหรืออกุศลเกิด mm hmm. พิจารณาเพื่อเจริญกุศลไม่ใช่พิจารณาเพื่ออกุศลเพราะนนั้จิตที่ที่เป็นไปในแต่ละทวารเนี่ยถ้าวิเคราะห์แยกแยะไม่เป็นเราจะเจริญถูกหรือว่าเมื่อเห็นแ่้เป็นกุศลหรืออกุศลเราจะแยกไม่ออก ถ้าแยกไม่ออกคิดให้เป็นบุญไม่ได้หรอกอย่างที่ถามบ่อยๆเนี่ยถ้าเห็นดอกไม้แล้วจะคิดเป็นกุศลได้เจริญเป็นกุศลได้ยาวได้มากได้ต่อเนื่องนะเห็นอย่างอื่นก็ในยะเดียวกันคิดเป็นบุญเป็นกุศลจนได้แหละนี่ถามว่าเห็นดอกไม้เนี่ยจิตดวงไหนเกิดบ้างอาศัยตากับรูปเกิดจกักขูวิญญาณอาวัชนะก่อนเนี่ยนะอาวัชนะจิตเรียกจักขูทวาราวัชนะจกักขูวิญญาณเกิดสัมปติชนะก็รับอารมณ์สันติรณะนะก็ พ, จะนะพิจารณาว่าทัพนาก็ตัดสินตัดสินว่าไงตกงามจริงหนอแล้วไม่ใช่เอ้าไงอ่ะใครมาวางเกะกะเต็มไปหมดเลยตกลงเอาไงดีพิจารณาว่าไงอืโอ้โหเนี่นะเขามีศรัทธานะคุณน้องบูชาพระพุทธเจ้าพบูชาพระรัตนตรยัย บางคนเนี่ยดอกไม้บูชาพระพุทธเจ้าบางคนดอกไม้บูชาพระธรรมบอกคนเอาดอกไม้บูชาพระสงฆ์นะนะ้มีดอกไม้อยังงี้นึกถึงเจดีที่นั่นบูชาพระพุทธเจ้าที่นี่ก็คิดไปเกี่ยวกับเรื่องไหลไปกับบุญอย่างเดียวเั้นการเห็นดอกพี่ยิ่งพิจารณาก็ยิ่งกุศลลจิตเกิดนะเห็นเออเนี่ยดอกไม้เนี่ยเออนี่สีอย่างนี้เนี่ยนะใกล้กับกสินแบบนั้นสีแบบนี้ใกล้ต่อสมถะนั้น แล้วก็สังขารเหล่านี้ดอกไม้เหล่านี้เดี๋ยวก็ร่วงโรยลงไปสังขารทั้งหลายก็ร่วงโรยฉั น, นั้นแล้วก็พิจารณาวัตตะที่เป็นไปในภูมิสามอย่างละเอียดพิสดารถ้าอย่างนี้ก็จิตก็ไหลไปกับบุญอย่างเดียวแต่ถ้าไม่อย่างนั้นก็ไหลไปกับบาปอย่างเดียวเดี๋ยว ต, ต่อไปเดี๋ยวจะเริ่มมาคิดต่อไปว่าแล้วจิตที่มีดอกไม้เป็นอารมณ์ตายได้ไหมได้เดี๋ยวค่อยคิดต่อไปนะถ้าตายแล้วควรจะเกิดที่ไหนดี ไงนะสวรรค์เนี่ยนะอ้าพี่จะไม่สิ้นวัตตาเหรอเอาละเดี๋ยวไปหมดที่นั้นต <laughs> ามกันดูว่าจะออกจริงหรือเปล่า <laughs> ทีนี้ถ้าที่ใดมีจิตที่นั่นก็ต้องมีเจตสิก พ้พระสูตรที่พระพุทธเจ้าสอนพิจารณารูปนามในที่อื่นๆนะของมาชอบว่ามันง่ายดีการเจริญรูปนามแบบพุทธเจ้าสอนเนี่ยนะง่ายมากเลยแบบฉะกษัตริสูตรแบบโลกานิโรธาสูตรแบบอะไรเนี่ ย, ยพิจารณาง่ายคิดตามท่านก็เข้าใจแล้วเนี่ยนะแบบนี้อภิน ญ, ญยธรรมปริญยยธรรมจากขู่ควรกําหนดรู้รูปควรกําหนดรู้จากขูวิญญาณควรกําหนดรู้จากขู่สัมผัสควรกําหนดรู้แม้สุขเวทนาทุกขเวทนาที่เกิดจาก จากขูดสัมผัสเป็นปัจจัยก็ควรกําหนดรู้ถ้าสุขเวทนาโดยมากเป็นกามสัญญาถ้าทุกขเวทนาโดยมากเป็นพยาบาทสัญญาถ้าเป็นอนทุคขมสุขเวทนาไม่แน่อาจจะ ว, วิหิงสาสัญญาก็ตามด้วยกุศลสัญญาบ้างอกุศลสัญญาบ้างแล้วสัญญาเหล่านี้เป็นปัจจัยให้เจตนาใดเกิดขึ้นนะไม้เห็นดอกไม้วางให้เข้าที่เข้าทางอยากจะเอาไปวางให้มั น, นมนโนกรรมหยิบไปวางจริงก็เป็น กายกรรมผู้อยู่นั่นแหละเป็นวจีกรรมดอกไม้เป็นที่ตั้งแห่งการทำกรรมสามจิตที่เป็นไปแล้วนะมีเวทนาสัญญาและเจตนาก็ครบขันห้าวันขันห้าประชุมกันก็จัดแจงขันห้าประชุมกันเพื่อทำกิจอะไรทำกิจสร้างขันห้า ขันห้าทุกขันห้าที่ประชุมกันภารกิจของเขาคือสร้างขันห้านะเันเมื่อขันห้าประชุมกันนี่จึงสร้างขันห้าขันห้าประชุมกันก็สร้างขันห้าวัตฏามันก็ยาวอยู่อย่างนี้แหลด้วยประการดังนี้แหละมันก็ต้องหมั่นหมั่นทบทวนหมั่นใคร่ครวญอย่างนี้จนจะเห็นว่านี่คือต้นเหตุรากเง่าแห่งความทุกข์ อย่างที่เราสวมดมนต์เมื่อเช้าพระพุทธเจ้าเมื่อยังส่งพระช น, น, นอยู่ย่อมให้สาวกกำหนดรอบรู้ในอุปาทานขันเหล่านี้เองเนี่ยนะจะต้องมันวิเคราะห์แยกแยะจริงๆถ้าไม่มันแยกมันแยะนะคือแต่จริงๆมันเกิดมาเราก็ทำอะไรมันเฉยๆใช่ไหมมากอุเบกขาเวทนามีส่วนเปรียบด้วยอะไรด้วยอวิชชา บางทีก็เห็นแล้วก็เฉยเฉยมีข้อปฏิบัติอันใหม่ก็มีโยมก็มาบอกว่าก็เห็นเราก็ทําเฉยเฉยซะสิเขาบอกงั้นเห็นไหมดีไหมเห็นอะไรก็ทําเป็นใช้เฉยไม่ต้องไปสนใจไอเฉยของเขาแปลว่าไม่ต้องสนใจอะไรมากหรือไม่ก็เสนอแนะข้อปฏิบัติอะไรก็ไม่รู้ขึ้นมาเพรา ะ, ะนั้นจะต้องมาเรื่องเราเนี้จะต้องมาวิเคราะห์แยกแยะให้เป็นเนี่ย น, นะนี่คือภารกิจของทิฏฐิวิสุทธิ ทำความเห็นให้ตรงว่าอะไรมันเป็นอะไรอะไรเป็นตาอะไรเป็นสีอะไรเป็นจักรคูวิญญาณอะไรเป็นภสษาเวทนาสัญญาและเจตนาเนี่ยนะทำความเข้าใจให้รู้ว่าอะไรเป็นอะไรอะไรเป็นอะไรถ้าวิเคราะห์ในส่วนนี้ไม่ออกแยกส่วนนี้ไม่เป็นเชื่อเลยว่าคุณจะไปเจริญกุศลข้อไหนแล้วเจริญว่าอย่างไงเจริญให้เป็นอะไรก็ยากก็ต้องหมั่นวิจัยแบบเนี้ยบ่อยๆบ่อยๆ พันธุที่จะวิจัยอะไรเรื่องใดเรื่องหนึ่งเช่นเกิดมาลักแต่ดอกไม้คนอื่นศีลมาไม่ดีเห็นดอกไม้คิดแต่จะรักคิดแต่จะประทุษร้ายดอกไม้ของผู้อื่นเนี่ยจะเจริญสมถะได้ไหมเจริญนิปัสนนาเกี่ยวกับดอกไม้ง่ายไหมพันธุ์จึงต้องหมั่นชําระศีลให้ได้กับทุกอารมณ์ คิดทุกอารมณ์จนเป็นอารมณ์ทุกอย่างเป็นที่ตั้งแห่งกุศลศีลเมื่ออารมณ์ทุกอย่างเป็นที่ตั้งแห่งกุศลศีลเราเห็นอะไรเราจะไม่วิปฏิสารจากเรื่องนั้นเลยสามารถพิจารณาเรื่องเหล่านั้นได้ยาวได้ยาวได้มากแต่ถ้าเป็นคนมีประวัติบูมหลังมาโอ้ยไปขโมยดอกไม้สวนนั้นเอาไปขายที่ตลาดโน่นเห็นดอกไม้เมื่อไหร่ใจว่าเช้าเนี่ยนะดีไม่จุติตอนนั้นพูดไปแล้วเล่าให้ฟังนิดนึงสมัยเป็นเด็กๆเกนี่ยนะ เพื่อนคนหนึ่งก็ไปรักดอกไม้ไปขโมยประคองตลาดเขาชวนเราเป็นลูกมือให้ดังนั้นมาเห็นดอกไม้เอ๊ะชักไม่ค่อยสนุกสักเท่าไหรน่นะนะก็เพราะอะไรเพราะนึกถึงนึกออกเลยนะแต่ถ้าคนที่บอกเออดอกไม้นี้ไปบูชาพระธาตุที่นั่นดอกไม้นั้นนะไปบูชาพระธาตุที่โน้นดอกไม้โน้นไปบูชาพระธาตุที่นั่นแต่ไม่ใช่มีดอกไม้นั้นไปฝากคนนั้นอะไรเงี้ยนะจางงั้นไหมแล้วแต่จะคิดนะน้อมไปให้เป็นอะไรแล้วแต่การ สั่งสมแต่ทีนี้ไอการสั่งสมมันบอกด้วยเลยว่าคุณเนี่ยสั่งสมพบไหนเอาไว้ในตัวใช่ไหมถ้านึกถึงอาทินนาทานแล้วสั่งสมพบไหนอบายภพถ้าเห็นแล้วก็สังอ่ะนะเป็นลักษณะดอกไม้เอาไปฝากกันแบบทั่วๆไปเนี่ยนะก็สั่งสมอะไรสั่งสมวัตตาสั่งสมก ร, รมภพถ้าดอกไม้ไปบูชาพระรัตนะตรัยก็สั่งสมวิวัตะ สั่งสมวิวัตะสั่งสมอัธยาสายเพื่อความผลทุกคันการเห็นแต่ละอย่างเนี่ยนะความรู้สึกนึกคิดใดๆเกิดขึ้นมันประกาศด้วยว่าผลต่อไปข้างหน้าควรจะเป็นอะไรนะผลข้างหน้าต่อไปควรจะเป็นอะไรเพราะการวิจัยสิ่งเหล่านี้เลือกเฟ้นจนเห็นสติสติ ป, ปฐานสี่หรือสติสัมโพชฌงเลือกเฟ้นจนเป็นธรรมวิจยสัมโพชฌงหรือสัมมาทิฏฐ เฟ้นอย่างเงี้ยการทำอย่างเี้ยเขาทำด้วยความภาคเพียรพยายามจริงๆ จ, งจึงเป็นการงานของคนกล้าเนี่ยนะของคนที่ที่ภาคเพียรใช่ไหมของคนที่หมั่นมากๆเลยเป็นคนที่ช่างละเอียดละเ อ, อเป็นคนที่มักใครโครนเขาจึงจะทำได้รอดโดยเฉพาะนา ม, มารำทั้งหลายเนี่ยนะนา ม, มารำนั้นท่านถือว่าเป็นวัตถุของโมหะรูปประธรรมเป็นวัตถุของโลภะ รูปธรรมโดยมากสมมติว่าบางคนเนี่ยแค่เห็นปั๊บเนี่ยคิดเรื่องงามไปก็จบแล้วใช่ไหมคือคือถูกคําว่างามคําว่าสวยเนี่ยครอบงําท่วมทับจนปัญญานี่อ่อนกําลังหมดแล้วเนี่ยนะปัญญานี่อ่อนระโวยรวยแรงหมดไม่มีเรียวมีแรงอะไรเลยแต่ถ้าพอคิดเรื่องนามมาทําเมื่อไหร่ปั๊บก็โมหะอุ๊ยลุ่มหลงสับสนไปหมดไม่รู้อะไรเป็นเวทนาอะไรเป็นสัญญาอะไรเป็นสังขารอะไรเป็นวิญญาณแยกไม่ออกเลยอันนี้แหละโมหะ รูปก็เป็นที่ตั้งแห่งโลภะนามก็เป็นที่ตั้งแห่งโมหะผู้สัตว์ทั้งหลายผู้มีอวิชชาเป็นเครื่องกลางกั้นมีตัณหาเป็นเครื่องร้อยรัดเนี่ยนะรูปเป็นที่ตั้งแห่งความพอใจนามทั้งหลายเป็นที่ตั้งแห่งความลุ่มหลงเลยไม่ต้องแปลกใจว่าทำไมน้ำตามันจึงมากเท่าน้ำทะเลเนี่ยนะไม่ต้องแปลกใจเพราะว่าทุกอารมณ์ที่เห็นมันโดยมากมันเป็นอย่างนั้นเคสยังไงจึงจะคลายกาหนัดในรูป พิจารณาอย่างไงจึงจะเลิกลุ่มหลงในรูปทั้งหลายถ้าพิจารณาส่วนเหล่านี้ไม่ออกก็ก็ดังที่กล่าวไปทีนี้ในการพิจารณาอย่างพระสูตรที่ที่นิยมเอามากล่าวบ่อยๆเช่นฉะฉัะะกกสูตรหรือว่าโลกนิโรธสูตรเนี่ยนะอาศัยจักขุ่กับรูปเกิดจักขู่วิญญาณความประชุมของธรรมสามประการเป็นภาษาภาษาเป็นปัจจัยจึงมีเวทนาภาษาเป็นปัจจัยจึงมีสัญญาภาษาเป็นปัจจัยจึงมีสังขาร จักรคูมีกี่รูปอะไรนะจักรคูห้าสิบสี่รูปอันนี้รวมรวมก่อนนะแล้วสีที่เห็นสีคือผมมีกี่รูปสี่สิบสี่รูปสีคือหนังมีสี่สิบสี่รูปสีคือเล็บมีสี่สิบสี่รูปนั้นตากับสีเหล่านั้นเนี่ยนะเกิดจากคูวิญญาณจักรคูวิญญาณนี่เป็นแบ่งออกเป็นกี่ดวงสองเป็นกุศลนิบากและ อกุศลวิบากรู้ได้ยังไงว่าเป็นกุศลวิบากหรืออกุศลวิบากรู้ว่าอารมณ์นั้นเป็นอิทธารมณ์หรืออนิถารมณ์ถ้าอารมณ์เป็นอนิถารมณเป็นอกุศลวิบากถ้าอารมณ์น่าปรารถนาก็เป็นกุศลวิบากทีนี้สามอย่างประชุมกันนี้เป็นผัสสะถ้าผัสสะในสิ่งที่ไม่น่าปรารถนาเป็นปัจจัยแก่ทุกขเวทนาถ้าผัสสะในสิ่งที่น่าปรารถนาก็เป็นปัจจัยแก่สุขเวทนาถ้าผัสสะ ทั่วๆไปก็เป็นที่ตั้งแห่งอุเบกขาเวทนาถ้าทุกขเวทนาเกิดขึ้นพยาบาทสัญญาก็เกิดขึ้นถ้าสุขเวทนาเกิดขึ้นกามมสัญญาก็เกิดขึ้นถ้าพยาบาทสัญญามากๆวิหิงสาสัญญาก็เกิดขึ้นทีนี้ถ้ากามมสัญญาต่อด้วยอะไรกามมสัญญาเป็นตัวสำคัญมากต่อวิตกต่อกามมวิตกพยาบาทวิตกและ วิหิงสาวิตกถ้าเป็นกุศลสัญญาก็เป็นเหตุใกล้ต่อกุศลวิตกทั้งที่เป็นเนคขมมะวิตกอัพยาปาธาวิตกและก็อวิหิงสาวิตกทีนี้คนที่มีอกุศลวิตกมากๆกายก็เป็นกายทุจริตถ้าล่วงมาทางกายเมื่อไหร่ก็เป็นกายทุจริตวาจาก็เป็นวจีทุจริตนึกคิดก็เป็นมโนทุจริตก็ดูว่าแต่ละอารมณ์เนี่ยสุดจริตมากหรือ ทุจริตมากเราก็มาดูว่ากระแสแห่งทุจริตเนี่มายัางไงกระแสแห่งสุดจริตนี่มายัางไงแล้วแต่ละอย่างเนี่ยเป็นเหตุเป็นผลเชื่อมโยงกันต่อไปอย่างไรอันนี้แหละเป็นลักษณะของทิฏฐิวิสุท ธ, ธิเนี่ยนะทำความเห็นให้ตรงในในความเป็นจริงเหล่านี้ว่าจริงๆของเรื่องนี้มันเป็นยังไงจริงของรูปมีแค่ไหน ความจริงของเวทนามีแค่ไหนความจริงของสัญญาสังขารและวิญญาณแต่ละอย่างเนี่ยจริงแท้แค่ไหนและความจริงเหล่านี้เป็นสัจจะอะไรเป็นสัจจะอะไรตกลงทุกขสัจแล้วสิ่งเหล่านี้เป็นทวารและเป็นอารมณ์ของสมุทยัยสัจเพราะฉะนั้นมีแต่กองทุกขักบสมุทยัยที่ไหลไปอยู่อย่างนี้เนี่ยนะเขาเรียกว่ากระแสะแห่งสังสารทุกกระแสะแห่งวัตตะเนี่ยนะกระแสะแห่งชาติชราและ มรณะเนี่ยก็ไล่ไปสืบเนื่องอย่างนี้ก็หมั่นมาพิจารณาน่ยนะเพราะเบื้องแรกนั้นจึงไม่ต้องพิจารณาโลกุตระอะไรโลกุตระเอาไว้ก่อนอยังไม่ต้องรีบพิจารณาใช่ไหมเพราะอะไรพิจารณาก็พิจารณาไม่ถู ก, กันนะแค่วัตตายัางพิจารณายากจะกล่าวไปยายถึงวิวัตะเล่าเพราะในเบื้องต้นนั้นก็อยากให้ให้พิจารณาธรรมะโดยพิสดารก่อน แยกอย่างเช่น ถ, ถ้าถ้าพ er ูดถึงขวานตาก็แยกเบื้องลึกลึกเข้าไปในตัวตาเลยมีเท่าไหร่แล้วก็ลึกเข้าไปในสีเนี่ยมันมีเท่าไหร่หูเนี่ยลึกเข้าไปในหูลึกเข้าไปในเสียงลึกในข้างเข้าไปในจมูกลึกเข้าไปในกลิ่นทั้งหมดที่รับลึกเข้าไปในตัวลิ้นทั้งหมดแล้วก็ในโพธภในรถทั้งหมดในกายทั้งหมดในโพธภาษทั้งหมดในมโนในโลกของภวัง อาวัชนะแล้วก็ธรรมมรมเรื่องราวทั้งหมดก็แยกแยกวิจัยสิ่งเหล่านี้ให้หมดนั้นเราสังเกตเลยได้ว่าถ้าพื้นฐานคนที่ศีลไม่ค่อยดีจิตตะวิสุทธิ์ไม่ดีการมาวิจัยสิ่งเหล่านี้ง่ายไหมเธอสามนาทีนี้ก็หมดพุงแล้คิดไม่ค่อยออกนะคิดไปคิดไหมยังไงกันแน่ทาเรื่องอื่นดีกว่าเนี่ยนะวิธีแก้ปัญหาเขาเนะีเป็นมรคข้อปฏิบัติอันหนึ่งบอกไปทําอย่างอื่นดีกว่าเป็นมรคอันใหม่ ที่ไม่ได้แก้ปัญหาอะไรเอ่อสำหรับในช่วงบ่ายนี้ก็คงใช้เวลาแต่เพียงเท่านี้ก่อนนะแล้วก็มาคงช่วงค่ำอีกครั้งหนึ่งพ้พรอมใครมีเวลาก็มาฟังช่วง6โมงเย็นถึงประมาณสองทุ่มเป็นเฉลีย่ย